มาศึกษาให้พากันตั้งใจจริงๆสมกับมาศึกษาขรอวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ได้พาดำเนินมาอย่างไรให้ยืดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติต่อไปเมื่อ ตัดปากจากครูจากอาจารย์ไปแล้วให้มีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเครื่องอาศัยมันอยากให้ล่มเหลวไปเสียหมดและทั้งๆ ท, ที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ได้ศึกษาอยู่ก็ล้มเหลวไปถ้าครูบาอาจารย์ตัดปากจากไปแล้วก็ยิ่งหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผลที่จะพึงหวังก็ ไม่มีลวเพราะปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้คือทางเดินเข้าสู่อัดสู่ธรรมทั้งนั้นตั้งแต่พื้ น, พ, นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงยอดแห่งธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมานั่นผู้ที่ยึด ได้เป็นหลักเป็นเจนก็มีเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นอยากจะพูดว่าล้มเหลวไปล้มเหลวไปประหนึ่งว่าไม่ได้เคยศึกษาอบรมอยู่กับท่านเลยนี่มันเป็นไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ การปฏิบัติถ้าไม่มีหลักที่ถูกต้อ ง, องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวก่อแล้วยังลำพังความอยากเฉยๆนั้นไม่มีความหมายอันใดเลยไม่สำเร็จประโยชน์ปฏิปทาเครื่องดำเนินนั้นนะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูอาจารย์พาดำเนินมาเพราะท่านเองก็เห็นผลประจักษ์มาแล้ว จากพระโอวาทคำสั่งสอนที่ทรงพาดำเนินมาพวกเราที่ไม่สามารถจะดาเนินโดยลำพังก็ได้อาศัยครอวจารเป็นเครื่องยึดพ้อเรื่องของธรรมไม่เหมือนทั่วทั่วไปเป็นเรื่องที่ละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียวการเรียนการจดจำตามคำพีบาลาน นั่นเป็นคําบอกเล่านั่นแหละผู้เรียนก็กลายเป็นคําบอกเล่าไปไม่ถึงใจเหมือนเราปฏิบัติและรู้เห็นขึ้นมาภายในใจิตใจของเราเองนี่ไม่ใช่ภาคจดจำไม่ใช่การบอกเล่าแต่เป็นสิ่งที่รู้จริงๆเห็นจริงๆไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรม ดูจริงๆเห็นจริงๆเดี๋ย ว, ว่าละก็ละได้จริงๆแล้วท่านนํามาสอนพวกเราสอนด้วยความจริงไม่ใช่สอนด้วยความจํานี่คือธรรมสมบัติของท่านโดยตรงแล้วเบื้องต้นก็อาศัยการศึกษาเราเรียนการได้ยินใน้ฟงจากครูจาอาจารย์พอเป็นแนวทางซะก่อนแม้จะเป็นภาพจดจำก็หนีไม่พ้น เพราะเป็นความจำเป็นในภาคนี้เพราะเรายังไม่สามารถจะดำเนินจนเห็นผลขึ้นมาเป็นสมบัติของเราได้ในขั้นเริ่มแรกจึงต้องอาศัยครัวอาศัยอาจารย์อาศัยตำหลับตำลาเป็นเครื่องยึดเน้ยดำเนินตามนั้นคำว่าทม ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก่อนก็ไม่ทราบหมายความลึกตื้นอยากละเอียดทั้งของธรรมและของกิเลสทั้งหลายต่อเมื่อได้ดำเนินด้วยเราเองนั้นแหละถึงจะทราบได้ว่าเป็นความลึกตื้นหนาบางขนาดไหนและต้องได้ต่อสู้กาจัดกันด้วยวิธีการต่างๆ ไปโดยลําดับนั่นแหละเราถึงจะทราบได้ในเรื่องกิเลสและธรรมภาพเกณนความสลับซับซ้อนเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างลําพังความจําของเรานี้ว่ากิเลสมันก็เป็นประเภทหนึ่งว่าธรรมอย่างนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งในความรู้สึกของเราเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้คระเข้ า, ขากันเลยเป็นประหนึ่งว่าอยู่คนลนะผ้าแหนบผ้าแหนบ อยู่คนละแห่งละหนถ้าจะแก้กิเลสก็ไปแก้จุดนั้นถ้าต้องการทำก็มายึดจุดนี้เป็นลักษณะอย่างนั้นการเรียนมาฟังแต่เราพูดขึ้นก็พากันเข้าใจดีแล้วไม่ใช่หรือว่ากิเลส น, น่เหมือนอย่างว่ากิเลสนี้เป็นกองพล เ, เทนทึกอยู่แห่งหนึ่งคำว่าธรรมก็อีกเหมือนกันเหมือนว่ากองแห่งธรรมอยู่กองหนึ่งกองกิเลสอยู่กองหนึ่ง หยิบได้ง่ายได้ค่าได้สะดวกสบายทำก็ยึดได้อย่างสะดวกสบายอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามคำพูดที่เราสำคัญมั่นหมายแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติกันจริงๆแล้วไม่ทราบว่ากิเลสและธรรมเป็นอย่างไรบ้างนั่นนั้นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่อื่นกิเลสแท้ธรรมแท้ เกิดได้ที่ใจอยู่ได้ที่ใจสัมผัสได้ที่ใจเท่านั้นแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่ากิเลสอยู่จุดไหนธรรมะอยู่จุดไหนเราจะแยกแยะทั้งสองประเภทนี้ออกได้อย่างไรนี่จึงเป็นการยากต้องอาศัยอุบาวิธีการต่างๆจากอาัจจากธรรมตำรับตาลา และครูอาจารย์คอยแนะนาสั่งสอนให้รู้วิธีเช่นแยกความฟุ้งซ่านเข้าสู่ความสงบอย่างนี้จะทำอย่างไรใจจึงจะไม่ฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นกิเลสทั้งๆที่มันเป็นกิเลสร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นแหละแต่เราก็ไม่ทราบ ไ, ได้ว่ามันเป็นกิเลสอย่างนี้แหละมันลาบากอย่างนี้นี่คาว่าความสงบเราเห็น ถาเพียงตำลับตำลาและจากครูอาจารย์ที่สอนไว้เท่านั้นทั้งๆติดใจของเราไม่ได้สงบเราก็ไม่ทราบว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรทราบแต่ความฟุง้งซ่านในความฟุ้งซ่านนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดบ้างเราก็ถือว่าเราวุ่นวายเราฟุงา้งซ่านเราไม่สบายเสียเพียงเท่านั้นโดยที่หาวิธีการแยกแยะ ตนจากความวุ่นวายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายเราไม่ทราบได้อย่างนี้เองจึงเป็นความลำบากเพียงแต่ขั้นสงบเท่านั้นลำบากไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอันนี้ไม่ต้องถามกันเพราะจิตมันหาความสงบไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอในความ กุ้งซานลำกานเพราะกิเลสไม่เคยมีเมืองพอที่จะทำเราให้ได้พักผ่อนสบายๆหรือว่าพักเครื่องเหมือนรถเหมือนดาแต่กิเลสหมุนไปโดยลำดับลำดานในตามหลักธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจิตจะหาความสงบบุ่นวายได้อย่างไรนอกจากไปสุดขีดไปเต็มที่เต็มแดนจนสิ้นความสามารถแล้วก็ อยู่ชั่วระยะเท่านั้นแล้วก็หาอารมณ์ใหม่ขึ้นมายุ่งวุ่นวายอีกตลอดไปเช่นนี้คือสืบนเนื่องกันไปด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องหรือเป็นกิ่นแขนงของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเลยจึงไม่พาผู้ใดให้มีความสงบลมเย็นเพราะการคิดมากแล้วหนักนีคำวมาความสงบก็เกิดไม่ได้มีไม่ได้ทั้งตั้งติดจำได้เต็มหัวใจ ฟังได้เต็มหูลงถึงใจเต็มหัวใจแต่ความสงบในใจก็มีไม่ได้เพราะยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติเพื่อกําจัดความวุ่นวายทั้งหลายด้วยทำแงใดหรือทำบทใดก่อนด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องได้แยกแยะจึงต้องได้สอนกันท่านจะเรียกว่าสมถะนิปัสสนานะสมถะคือความสงบความสงบใจ ความเมื่อสงบแล้วใจก็ย่อมสบายผิดกับความวุ่นวายมากน้อยเพียงใดยิ่งเพิ่มทุกข์ให้มากน้อยเท่งนั้นเป็นไหนไหนีหละการปฏิบัติมันยากอย่างนี้แล้วที่นี่เราจะพยายามทำใจให้สงบท่านก็สอนวิธีการแห่งสมถะทำให้เช่นใช้คำาิริกรรมเป็นเครื่องกากับใจ ถ้าใจไม่มีเครื่องกากับใจไม่มีเครื่องยึดแล้วจะไปยึดสิ่งที่เป็นคืนเป็นไปอันเป็นเรื่องของกิเดดังที่เคยเป็นมาไม่หยุดไม่ถอยอีกแล้วแล้วจะก่อเรื่องราวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจึงต้องให้ใช้คำมรยกรรมให้จิตยึดอยู่ในจุดนั้นเพราะจิตทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่ทำงานกับอะไรอยู่ย่อมเป็นการทำงานกับสิ่งนั้น เมื่อปล่อยสิ่งนั้นแล้วจึงจะประยึดที่อื่นทำงานกับสิ่งอื่นในขณะที่กาหนดภาวนาหรือบริกรรมในธรรมบทใดอยู่ด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตใจไว้กับงานนั้นๆเมื่อสืบต่อกันอยู่โดยลำดับลำดายก็จะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความรู้ก็จะค่อยเด่นขึ้นกับคำบริกรรมนั้น อันเป็นที่ยึดของความรู้มเมื่อยึดไป น, น, นานๆบริกรรมไป น, น, นานๆรักษาไว้ด้วยสติใจที่ความรู้นั้นน่ะที่ว่าใจใจนั่นแหละคือความรู้แล้วจะค่อยเด่นขึ้นภายในจุดแห่งคําบริกรรมนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเด่นขึ้นมาแล้วความบริกรรมคําบริกรรมก็จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเพราะความรู้เด่นขึ้นเด่นขึ้น จนกระทั่งความรู้กับคําบริกรรมกล ม, มกลืนเป็นอันเดียวกันจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ก็ได้เพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วนี่เรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้อยู่กับความรู้ที่สงบนั้นด้วยความมีสติออันนี้มีมีอยู่สองภาคนะคำมาสงบแต่ เพียงห้าเปอร์เซนเท่านั้นที่แตกจากที่กล่าวมานี้เช่นสงบรวมทับลงไปทีเดียวถึงจุดแห่งความสงบเลยนั่นเป็นประเภทหนึง่งแต่มีน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เก้าสิบห้าเปอร์เซนตมักจะค่อยสงบเขา้าเข้าไปดังที่กล่าวนี้มีเมื่อจิตสงบเย็นลงไปเป็นจุดที่เด่นชัด ใจนั่นแล้วจิตก็ให้รู้อยู่กับความรู้อันนั้นมีสติควบคุมอยู่นั้นเมื่อไม่สะดวกที่จะบริกรรมเพราะเป็นความละเอียดพอๆกันกับใจในบรรดาคำบริกรรมที่เรานำมาบริกรรมนั้นเราก็ให้กำหนดความรู้นั้นไว้เสียเพราะเป็นที่ยึดที่เกาะได้แล้วในความรู้นั้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่ความรู้นี่สั้นไปหมด หาที่ยึที่เกาะไม่ได้จึงต้องอาศัยคำมือครมาเป็นที่เกาะจนรวมตัวขึ้นเป็นความรู้เด่นชัดแล้วอยู่ในจุดน้นเสียนี่ที่นี่เป็นเป็นสมถะแล้เนีเริ่มสงบเยน็นเมื่อใจสงบใจย่อมเย็นคำว่าสงบนี้มีมีหลายลักษณะหรือมีหลายขั้นสงบอย่างละเอียดแนบแน่นจริงๆก็มี ตัวหนึ่งว่าขาดหมดจากการปรุงการแต่งทั้งหลายเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจนกระทั่งเจ้าของก็ตื่นเต้นในความเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นการปลุกความสงบนั้นให้ตื่นตัวขึ้นมาได้ด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีใจนั่นเองแต่มันเป็นไปเองจะทําอย่างไรได้เพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจิตประเภทนี้ซึ่ง มีความเกี่ยวพันกับอารมณ์อะไรๆจนหาที่ยึดที่เกาะว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยอารมณ์แต่แล้วกลับย้อนตัวเข้ามาสู่ความเป็นอันเดียวคือรู้เด่นชัดปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายไม่มีอะไรมาปรุงมาแต่งจิตใจเลยประหนึ่งว่าขาดสะบั้นไปหมดในขณะนั้นก็มีในวงสมาธิเท่านั้นนะไม่ใช่ วงวิปัสนาก็เป็นได้อย่างนี้แต่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายยาได้ยึดไดเ้เอาถือเป็นอารมณ์จะถึงการก่อขวนในการงานของตนหากจะเป็นขึ้นด้วยวิธีการใดก็จะทราบจากผลของตนที่ปฏิบัติเองตามนิสัยนั่นแหละอันนี้เป็นนิสัยอันหนึ่งต่างหากที่กล่าวนี้นเคยเป็นแมผมเองก็เป็นมาแล้วจึงได้พูดอย่าง เต็มปากปุ่นง่ายๆมาเคยเป็นแล้วประเภทนี้แล้วก็ตื่นเต้ น, นดีอกดีใจเพราะไม่เคยเป็นตั้งแต่เกิดมาพูดง่ายๆเวลารวมเข้าไปรวมเข้าไปสงบเข้าไปสงบไปแล้วสงบเข้าไ ป, าไปจนกระทั่งถึงขาดไปหมดจากสิ่งทั้งหลายเหลือแต่ความรู้ที่เหมือนกับว่าเป็นเกาะอยู่ในแม่ น, น้ํามหาสมุทรนั่ น, เ, นเหมือนเป็นเกาะอยู่อางนั้นะความรู้อันนั้นะ่ะเป็นเกาะ เด่นชัดอยู่นั้นไม่เกี่ยวกะกับอะไรเลยทีนี้ความเด่นชัดของความรู้ที่อยู่โดยลำพังนั้นไม่ใช่เด่นชัดอยู่เพียงทำธรรมดายังแสดงความแปลกประหลาดแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งปะหนึ่งว่าโลดถนจนถึงกับเจ้าของตื่นเต้นและดีใจสุดท้ายก็ความตื่นเต้นความดีใจเนี่ยก็เลยไปกระตุกความสงบนั้นให้กระจายตัวออกมาเสีย ทําให้เสียดายจนแหม่เสียดายจริงๆไม่เคยเห็นนี่อย่างนี้ก็มีแต่ผู้ปฏิบัติยาได้ยึดเป็นอารมณ์ให้ถือเป็นนิสัยของตนหากจะเป็นเช่นนั้นก็ให้เป็นขึ้นมาเองยาคาดยาหมายไม่ใช่ความจริงการคาดหมายเป็นทั้งยาอารมณ์ไม่ใช่ความจริ ง, ราาร ค, วรงความจริงต้องเป็นขึ้นดังที่กล่าวนี้โดยไม่คิดไม่คาดไม่หมายหากเป็นขึ้นด้วยผลของการบาเพ็ญของเรา พอที่จะให้เป็นถึงขั้นนั้นก็เป็นขึ้นมาเองนี่อันประเภทหนึ่งแต่ส่วนมากมักจะสงบเย็นเข้าไปอยู่โดยลําพังตัวเองนี่อันหนึง่งอันหนึง่งแม้สงบเข้าไปแล้วยังมีลักษณะคิดคิดปรุงปุงอันละเอียดยิบยับยับเหมือนแสงอะไรหิ่งห้อยอ่ะหิ่งห้อยอะไรเหล่านี้แหละยิบยับยั บ, ยบอยู่ภายในอันนั้นก็ตามเราไม่ต้องแสดงความลาคาญไม่แสดงไม่ต้องแสดงความแปลกใจ มันเป็นส่วนละเอียดของสังขารที่มันเคยคิดเกิดปรุงในจิตประเภทนี้ในนิสัยของจิตประเภทนี้มันมีได้อย่างนั้นก็ใ ห, ให้ปล่อยให้มันมีแต่เรารู้อยู่รักษาอยู่มันก็ไม่แสดงอาการอะไรให้อยากให้เป็นสังขารทั่วไปดังที่เคยเป็นมาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นนี่ประเภทนึนี่เราพูดถึงเรื่องความฟุ้งซ่านกับความสงบ ต้องได้ใช้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้อันถึงแยกกันได้ว่าความพุ่งซ่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนี้การกล่าวทั้งนีน้กล่าวถึงเรื่องการแยกความพุ่งซ่านความสงบ ให้เห็นเด่นชัดทั้งสองอย่างคือความพุ่งส้านนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติกับมันอย่างไรมันก็เป็นไปได้ตามอำนาจแห่งสิ่งที่พายพุ่งสา้านเพราะมันคล่องตัวพอพอแล้วแต่ส่วนการที่จะทำจิตใจให้สงบเย็นนี้ต้องได้มีวิธีการกาชับกำชาบังคับบัญชาหนาแน่นจริงๆงถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ ย่างใจเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ว่าอ๋อความพุ่งซ่านเป็นอย่างนั้นความสงบเป็นอย่างนี้นี่ในใจดวงเดียวกันนั่นแหละเมื่อใจสงบได้เช่นนี้คนเราย่อมมีแก่ใจเพราะใจสงบนี้เป็นเป็นสงบขึ้นขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติ เห็นด้วยใจของเราเองรู้ด้วยตัวของเราเองชัดเจนไม่เพียงแต่จำได้เฉยๆ ว, ว่าใจสงบแต่ได้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเรานี่ก็เป็นบาดฐานอันหนึ่งที่จะให้เราก้าวขึ้นไปยิ่งกว่านี้หรือเป็นต้นทุนเราได้เพิ่มกำลังจิตใจและศรัทธาความเชื่อในความเป็นของตนเองขึ้นโดยลำดับ นี่นะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องละเอียดมากกับกิเลสเนี่ยแยกไม่ออกแยกยากที่สุดเพราะไม่ใช่จะเป็นกองสมบัติหรือกองนั้นกองนี้อยู่คนละแห่งละหนแต่มันคระเคล้ากันไปหมดเราจึงไม่ทราบได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายประเภทกว่าจะ สงบได้พอให้ทราบได้ว่านี้คือธรรมสมะถะธรรมความสงบใจงั้นนอกจากนั้นแล้วความสงบนี้ยังมีความละเอียดเข้าไปเป็นลําดับลําดายจากการปฏิบัติบําเพ็ญของเราเองจนกระทั่งถึงเป็นสมาธินคําว่าสมาธินั่นคือความแน่นหนา ม, มั่นคงของใจ ไม่จําเป็นจะต้องมีเฉพาะเวลาที่จิตสงบเท่านั้นแม้จิตถอนออกมาจากความสงบแล้วฐานของจิตนั้นก็เป็นก็เป็นความสงบอยู่โดยลําพังตัวเองเรียกว่าเป็นความแน่นหนามั่นคงอยู่ในภายในตัวเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิก็เพราะอาศัยความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหะเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาจนกลายเป็น สมาธิได้นี่แหละความละเอียดข อ, ของจิตเป็นอย่างนี้นี่เราพอทราบได้จากภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วอย่างไรก็ทราบไม่ได้ในธรรมที่กล่าวนี้คือสมรรถสื่อสมรรถธรรมจะได้แต่ความจำเต็มหัวใจนิตเล็ดตัวหนึ่งก็ไม่ถลอกปอกเปลือกออกได้เลยแหละแล้วก็แยกกันไม่ได้จนกระทั่งเราตายไปเปล่าๆจิเล็ ก, กับธรรมก็ค้าเคล้ า, ากันอยู่ตลอดไป เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติว่าปริยัติคือการสำเนียงศึกษาจะด้วยวิธีการใดก็ตามการศึกษาเรียนการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ก็ตามเรียกว่าเป็นภาคศึกษาแล้วก็ปฏิบัติได้แต่การดําเนินดังที่เรานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเหล่านี้เป็นภาคปฏิบตัติคือรักษา จ, จิตใจ ด้วยคำบริกรรมภาวนาหรือด้วยวิธีการใดก็ตามเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็ปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่เป็นลำดับลำดาไปถ้าไม่ได้ใช้ทางภาคปฏิบัติเลยอย่างไรเราก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลของอัดของธรรมและของกิเลสทั้งหลายซึ่งเต็มในหัวใจของเราจะได้แต่ชื่อแต่เสียงของอัดของ ร, รมของบาปของบุญของนรกสวรรค์เท่านั้น อันความจริงของบาปของบุญของนรกสวรรค์ความชิ้นกินเลสอาศวะจะไม่ปรากฏเลยจนกระทั่งวันตายแต่เมื่อได้ปฏิบัติดังที่กล่ามานี้มีทางที่จะทราบได้เป็นลําดับลําดาไปยึดลึกตื้นอย่างละเอียดตามกําลังแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบได้เป็นลํำดับต่างนี้แหละถ้าภาคปฏิบัติจริงเป็นของสําคัญมากทีเดียวที่จะแยกแยะ ระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งอยู่ในภายในยใจิตใจของเราดวงเดียวกันให้ได้เห็นชัดแจ้งภายในจิตเราว่านี่คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือกิเลสอาการที่แสดงอย่างนี้คือธรรมผลของการแสดงออกก็คือความสงบกับความฟุ้งซ่านและความทุกข์ความทรมานใจเพราะกิเลสมันดักสันดานผู้ในงานแล้วความสงบเย็นก็เพราะอานาจแห่งธรรม ผลของธรรมที่ปรากฏขึ้นจากผู้ปฏิบัตินี่เห็นได้ชัดอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นผ้าปฏิบัติแล้วจะเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เองเห็นเองไม่สงสัยเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วทำไมจะพูดมาได้คนเรานะ่ะต้องพูดได้ตามความรู้ความเห็นความเป็นลึกตื้นอยาบละเอียดของธรรมของกิเลสได้พูดได้ทั้งนั้นขอให้เจอให้ได้พบได้เห็นให้ได้ละได้ถอนเถอะ ด้วยการปฏิบัติมิเถิดอย่างไรก็พูดได้เห็นได้ชัดเจนประจักษ์ภายในจิตใจอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านด้วนแล้วแต่ท่านเป็นภาคปฏิบัติคือท่านดําเนินด้วยการปฏิบัติจึงละกิเลสทั้งหลายได้เป็นลําดับจนกระทั่งถึงขั้นมิมุดหลุดพน้นออกจากภาคปฏิบัตินี้ไปไม่ได้อืภาคปฏิบัติจึงเป็นของสําคัญคําว่าปฏิเวรหรือปฏิเวรทัธรรม ได้แต่ความรู้แจ้งแทนทะลุนั้นรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ภาคปฏิบัติเบื้องต้นนี่แหละเช็ตคือรู้แจ้งในสมาธิสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของแล้วดำดับไปมีความละเอียดอออย่างไรก็รู้ชัดในเจ้าของนั่นพูดถึงเรื่องขั้นปัญญาก็เหมือนกันตั้งแต่ปัญญาขั้นล้มลุกคลานขั้นไม่อยากทํางานขั้นทะเลทลัยนี่ปัญญาประเภทแรกเป็นอย่างนั้นนะมกักจะทะเลทลาย แล้วกลับเข้ามาสู่ความสงบเสียถ้าเรามีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีความสงบใจไม่มีพื้นฐานอย่างสมาธิเลยใช้ปัญญาไปก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์ฟุ้งซ่านลำคาญไปเสียเกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาไม่มีปัญไม่เป็นปัญญาเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเสียดุยมากมทีนี้เมื่อสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้พิพจาิรณาขั้นปัญญาแม้จะทะเละทะลายบ้าง ก็จะย้อนเข้ามาสู่ความสงบไม่อยากออกคิดปินิพิเกลนาเพราะเห็นว่าเป็นการลำบากลำบนวุ่นวายเพราะมีการต่อสู้มีการแยกการแย่ทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะย้อนเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบเย็นไม่ต้องทําอะไรมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตนี้เท่านั้นก็พอแล้วเย็นอยู่นี้สมายอยู่นี้เลยกลายเป็นจิตที่เกียจกครานไปเสียในปัญญาขั้นนี้มักเป็นเช่นนั้นนะจำให้ดี ทีนี้เมื่อได้อาศัยการพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอดเข้าตรงนั้นแทรกเข้าตรงนี้แยกนั้นแยกนี้เพราะจิตที่อยู่ในขั้นสมาธิเป็นจิตที่อิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายโดยถืออารมณ์แห่งธรรมคือความสงบเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยจึย่งไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ใดๆภายนอกแต่มักจะขี้เกียจอยากจะอยู่กับอ น, นันเสีย นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นจริงต้องได้แยกแยะพาทำงานพูดยังไงบังคับให้ทาเพราะปัญญายังไม่เห็นเหตุเห็นผลในการดำเนินของตนจริงมักถเล๋ไถลเอ๋แต่เมื่อได้ใช้ความพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนแยกตรงนั้นแยกตรงนี้ก็พ้นความเข้าใจไปไม่ได้ย่อมจะเข้าใจเล็กเล็กน้อยน้อยและเป็นสื่อเป็นทางให้เกิดความเชื่อมั่นเข้าไปโดยลํานับ นั่นจนกระทั่งเป็นความสนใจในเรื่องปัญญาออกจากความสนใจในเรื่องปัญญาแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาที่มีความขยันหมั่นเพียรอยากคิดอยากคน้นอยากพิจารณาและพร้อมกันกับกิบเลสก็ค่อยเบาไปเบาไปถ้าพูดกิเลสเป็นจัดเป็นอะไรก็ ยิ่งเริ่มอ่อนตัวลงไปเพราะถูกทุบ ถ, ถูกตีเข้าไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ยังไม่ตายก็ถูกทุบ ถ, ถูกตีให้อ่อนกําลังลงเรื่อยๆด้วยอํานาจของปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาจะเริ่มเชื่อตัวเองเข้าไปโดยลําดับกําดานี่เรื่องของปัญญาก็เป็นเช่นนั้นในขั้นเริ่มแรกมีร่มคครู้กุขาดเราก็เห็นได้ชัดภายในใจของเราเองเนี่ยภาพปฏิบัติเห็นได้ชัดๆไปตลอดเวลาเนี่ยไม่สงสัย เป็นไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นที่เกิดความสนใจเห็นผลประจักษ์เชื่อมั่นในความสามารถของตนไปโดยลําดับแล้วนั่นแหละทีนี่ปัญญาจะเริ่มไหวตัวเป็นลําดับลําดาเราจะเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาเริ่มไหวตัวแล้วก็ได้ไม่ผิดเพราะจากนี้ไปจะเป็นภาวนามาย์ปัญญาโดยแท้ไม่สงสัยนี่เรื่องของปัญญาอย่างนี้เราก็ทราบ ทั้งๆที่แต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่สตำลับตําลาว่าสมาธิเป็นเช่นนั้นปัญญาเป็นเช่นนี้หรือสุตะมยปัญญาเป็นอย่างนั้นกินตามมัจปัญญาเป็นอย่างนั้นภาวนามยจปัญญาเป็นอย่างนั้นแต่แล้วปัญญาทั้งสามประเภทนี้รวมตัวเข้าสู่ภาวนามยจปัญญาอย่างเดียวเราก็เห็นได้ชัดนั่นนี่แหละภาคปฏิบัติเห็นได้ชัดๆโดยไม่ต้องสงสัยเนอกจากนั้นก็ เหมือนกับว่าเรามีต้นทุนแล้วถ้าเป็นทางเดินก็ถูกทางแล้วมีแต่จะก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่มีทางปลีกทางแมะมีแต่ทางที่จะทำเราให้หลุดพน้นสังหาริเบตไปโดยลาดับลำดัด้วยสติด้วยปัญญามีสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกำลังปุ่นอย่างไรเป็นสเบียงหนุนไปเรื่อยเมื่อกำลังของปัญญาอ่อนตัวลงไปเพราะการทางาน เมื่อหิวอ่อนเพียก็เข้าพักสมาธิเสียไม่ต้องทำงานไม่ต้องคิดต้องปรงเรื่องอะไรทั้งนั้นให้อยู่ด้วยความสงบเมื่อใจได้รับความสงบแล้วย่อมมีกาลังควรแก่ทางด้านปัญญาต่อไปอีกแล้วก้าวออกสู่ปัญญาไปด้วยลำดับลำดานี่ก็เห็นชัดผู้ปฏิบัติจะไม่เห็นชัดได้อย่างไรก็ชันทิฏิโกท่านว่าปริยัตก็ศึกษามา แนวทางเป็นยังไงและปฏิบัติก็ก้าวเดินตามแนวทางนั่นเมื่อก้าวเดินไปแล้วทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในเวลาเราเดินทางล่ะเช่น mm hmm. อย่างเราเดินไปที่ไหนสิ่งต่างๆที่อยู่สองภาคทางจะปิดเราได้หรือที่จะไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนการอัดทำกิเลสที่แทรกซ้อนกันอยู่ในะระหว่างเราดำเนินเราก็เห็นไปรู้ไปล กันไปแก้กันไปถอนกันไปฆ่ากันไปเลือ่อยๆเลือเล่อยๆนี่เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งถึง ป, ปัญญาที่ว่าเป็นธรรมจักรนี่ก็รู้ได้ชัดเราจะไปหาตามตำรับตำนาเราจะได้แต่ชื่อเท่านั้นนะท่านจะไม่อธิบายแยกแยะไว้อย่างละเอียดละ อ, อ่อเหมือนความเป็นอยู่ความเป็นขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติทั้งหลายอันนั้นพรันานาไม่ได้เลยพิสดารมากจริง ไม่ได้เหมือนปริยัติที่ท่านแสดงไว้ถ้าหากว่าจะพูดทมก็เรียกว่าทำทั้งดุนเอาไว้แค่นั้นให้ผู้ปฏิบัตินำอัรทำนี้ไปแยกแยะไ ป, ไปกระจายออกเองแล้วจะได้รับความเข้าเข้าใจพร้อมกับการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัยนี่ผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงกล้าหาญชาญชัย ในความรู้ความเห็นและการดําเนินของตนทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่สะทกสะทานในการที่จะชี้แจงเหตุผลกี่ยกันการอะไรไม่กลัวว่าจะผิดเพราะไม่ผิดได้ดําเนินมาแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆแล้วจะสงสัยไปไหนนี่มันไม่ลูกๆคำๆเหมือนเราศึกษามานะการศึกษามานี่ลูกๆคำๆจริงบ้างไม่จริงบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะเชื่อโดยสัญญาเช่นดังว่านบาว บ, บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี พรหมโลกมีนิพานนี้เราก็เชื่อโดยสัญญาดังที่ดามตามที่เราเรียนมาด้วยสัญญานั่นแหละ <tr ue> ไม่เป็นอย่างอื่นต่อเมื่อเราได้ประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างที่วัดป่าบันตาดเนี่ยที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็เชื่อโดยสัญญาเสียก่อนอว่าวัดป่าบันตาด อ, อยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่มันก็ยังไม่ถึงใจจนกว่าว่าเราได้ก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตาดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวัดป่าบันตาดแล้วนั่นแหละถึงใจพูดได้ทั้งนั้นเลนี่ หายสงสัยหมดไม่มีเครือบแขลมดใด ท, ทั้งสิ้นนี่ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติเมื่อได้เห็นกิเลสก็ได้เห็นค่ากิเลสก็ได้ค่าปัญญาประเภทใดที่ควรค่าแก่กิเลสควรค่า ก, กิเลสประเภทใดก็นำมาใช้ให้เห็นประจักษ์เห็นประจักษ์ต่อกอนกับกิเลสหยุดทุกระยะระยะทำไมจะไม่ทราบทำไมจะไม่เห็นชัดไงแล้วจิตค่อยเปิดกว้างออไปกว้างไปที่แรกก็เหมือนกับว่ามืดว่าบอด เมื่อปัญญาได้กระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งไปขี้เล็ซึ่งเป็นเหมือนแม่กำบังใ จ, ใจิตใจค่อยๆเปิดออกไปเปิดออไปทําไมจะไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้กล่าวไว้ทดสดๆร้อนๆแท้ๆไม่ใช่กล่าวด้วยตั้งกับตั้งการจริงนั่นร่วงโรยไปแล้วกล่าวด้วยหลักความจริงไม่มีการสถานที่เ ว, เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะเป็นความจริงแม้จะปริพานธ์ไปกี่กับกี่การแล้วก็ตามความจริงนี้ก็เป็นความจริงเช่นนรกเช่นสวรรค์ บาปุลจิเดตันหาเป็นของจริงมีอยู่ตลอดไปในหัวใจของสัตว์โลกไม่มีว่างเลยเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินี้เป็นของจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่าสมุทัยะอริสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงของมันอย่อยางนั้นถ้าไม่ชำระสัตว์สังแล้วยังไงก็ไม่มีวันสิ้นออกไปได้นั่นฟังซิทุกข์ก็เหมือนกันถ้ายังตราบใดยังมีสมุทัยมันเป็นตัวยืนผลให้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นตัวสร้างเหตุ ยังไงผลคือความทุกข์จะต้องมีอยู่ตลอดไปไม่มีอันใดที่จะมาดับได้การไม่รับเวลาจะมาดับไม่ได้เอาดับอันนี้มันหมดฤทธิ์หมดอำากขมันแล้วมันสร้างอันอื่นขึ้นมาสร้าง อ, อื่นขึ้นมาเพราะสมุทัยเป็นรากฐานสาคัญที่จะผลิตสิ่งต่างๆคือทุกต่างๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานั่นนี่แหละเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เมื่อได้รู้เข้าถึงใจแล้วทําไมมันมันจะไม่ไม่ไประจักษนะ์ล่ะ ความสงสัยทั้งหลายจะสงสัยไปไหนเมื่อได้เห็นด้วยตาใจจริงๆแล้วรู้ด้วยใจจริงๆแล้วไม่มีสิ่งสงสัยที่เละประเภทใดหมดไปหมดไ ป, ดไปก็รู้ชัดชัดรู้จะชัดคําว่า ป, ปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแจ้งเข้าไปโดยลําดับลานาด้วยอํานาจแห่งปัญญาที่เบิกกว้างออกไปกว้างออกไปสังหารที่เละไปโดยลําดับลำนาดกว้างออกไปปัญญา แล้วสิ่งที่ไม่ควรรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่ควรเห็นก็เห็นในตำรักตาราเราเรียนมาไม่เคยปรากฏแต่ก็ปรากฏในความจริงนั้นพรากฏในความจริงนั้นจะว่าอย่างไรเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่างไงเราจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มีได้อย่างไรก็ให้เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นของจริงเต็มส่วนทั้งทั้งที่ตะก่อนเรียนมามากขนาดไหนเอาจนสมองมันจะเละเนี่ยความจดความจํามันก็ไม่เห็นแต่เวลาปฏิบัติลงไปแล้วมันเห็นจะว่าอย่างไรเห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้ มันมากมายขนาดไหนสิ่งที่รู้ที่เห็นไปจักกับใจในขณะที่ผมคุยปฏิบัติอยู่นั่นน่ะนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าเอ า, เอานำนำธรรมนี้แหลมาสอนโลกไม่จะทําความจดความจํามาสอนโลกนะเพียงความกดความจําไม่ได้เรื่องท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเอาความจํามาสอนอให้เอาความจริงที่เขาสอนแล้วมันเห็นอย่างชัดเจนนี่ยภาษาบกเหมือนกันพระพุทธเจ้าเหมือนกันความรู้ที่ท่านได้มาไม่ใช่ได้มาด้วยความจดจําความจดจํานั้นเป็น เป็นเพียงบาทเพียงฐ า, านเท่านั้นเป็นแนวทางแต่เวลาเอาเข้าจริงจิงภาคปฏิบัติเป็นผู้บุกเบิกทางให้เห็นความจริงทั้งหลายก้าเข้าไปก้าเข้าไปเจอเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเขาจะซสียอย่างจังๆปุ่นยังไงกิเลสก็พังไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตที่บริสุทดปีมุดผนิพ่านรุนร้วนปรากฏอยู่ภายในจิตใจสงสัยอะไรที่นี่นั่นฟังสิแต่ก่อนมันเป็นยังไงมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้เนื่องจากกิเลสมันปิดไว้หมดไม่ให้เห็นปิดไปอย่างปิดหูปิดตาแล้วเนี่ย ตาเาเวลาหลับมันก็ไม่เห็นแต่เวลาลืมมันยังลืมได้แต่ใจนั่นส่มันไม่มีเวลาลืมตัวสักทีมันไม่มีบวลาลืมลืมตาใจสักทีมแต่กิเลสปิดไว้ปิดไว้ตั้งกลับตั้งกันก็ปิดอยู่ยงั้นถ้าปัญญาไม่เปิดให้แล้วปัญญานี่เราจะหามาจากที่ไหนเอาปัญญาทางโลกเอาเรียนปายเรียนไปจนกระทั่งถึงตายก็เป็นปัญญาที่กิเลสผิดใหม้มามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นเรื่องอา่าเป็นเรื่องสังสมกิเลสไม่ใช่เรื่อง ที่จะฆ่ากิเลสเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติเช่นภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นอา่าพูดได้อย่างเท่านั้นไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยปัญญาอันนี้เท่านั้นที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเบิกกว้างไปหมดไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็คือปัญญาประเภทนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ภาษาบอกก็คือปัญญาประเภทนี้ไม่ต้องไปศึกษาจากใครสาธุพูดว่างี้เลยนะภาษาบอกอท่านจะพูดแบบนี้อ มาพระพุทธเจ้าก็กกราบอย่างสนิทติดใจแต่เวลาจะเข้าสู่สงครามจริงๆเข้าขึ้นเวทีจริงๆพระพุทธพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งดูถ้าหากว่าดคูครูมวยก็ดูอยู่เฉยนักมวยเท่านั้นที่ต่อยกันนั่นเป็นยังไงหนักเบาแค่ไหนหลบดีกปีกหมัดปีกเท้าก็เป็นยังไงเป็นเรื่องของนักมวยที่ต่อสู้ต่อกอนกันเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเวลาเข้าต่อสู้กิเลสเท่าไหร่เรื่องภาวนามญญปัญญานี้เท่านั้นเป็นเป็นเพลงมวยพูดยังไงเอาฟัดกันอยู่ตรงนั้น นี่แหละที่ว่าเป็นเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกดังที่ท่านว่าตุมแห่จิตจังอาตะปังอาขาตาโรตถาค า, าตาความเพียรเป็นหน้าที่ของหลายทําเองหนาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกเท่านั้นนั่นแหะเป็นแต่ผู้บอกอุบายวิธีแต่เวลาเข้าต่อกกันฟัดกันจริงๆเป็นเรื่องของนั่งมวยทั้งสองคนนั้นคือระหว่างกิเลสกับธรรมสู้กัดได้เห็นได้อย่างชัดเจนภานจิตใจของผู้ปฏิบัติทาไมปฏิบัติไม่รู้ทํำประเภทนี้เอาเถอะ เรียนมาจบไห น, นก็จบสาธุไม่ได้ประมานนะจพระกายพิโดก็จบเถอะได้แต่ความจําเท่านั้นแหะความจริงไม่ได้คิเลสไม่หลุดลอยไปเลยแต่ถ้าลงในปฏิบัติจนกล้าเข้าสู่ภาวนาไมยะปัญญานี้แล้วจะได้เห็นคิเลสพังลงไปพังลงไปโดยลําดับลา ด, ดาสิ่งไม่รู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นเห็ น, หนขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจทึง่งแต่ทึ่งแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันว่ามันจะเห็นมันจะรู้มันจะละมันจะสังหารกันได้มันสังหารกันได้ต่อหน้าต่อตานี้ว่าไงนั่นทำมุย่ยแจวไม่อาศจรอะไรจาศยัในโลกนี้ เอากข้มาปฏิบัติสิพวกเราเป็นผู้นักปฏิบัติแท้ให้ท่านพูดอยู่เฉยๆทําไมให้มันเห็นประจักษ์ในใจเจ้าของสิทธิธรรมะเวรเจ้าเป็นโมฆะจริงหรือในโลกนี้สอนโลกมันถึงไม่ได้เรื่องในเราก็เพราะโลกนี้ถูกกิเลสปิดบังปัดหมดปัดหมดเมื่อทำแทรกเข้ามาปัดออกปัดออกให้มีแต่กิเลสมันหุ้ม ห, อห่อจิตใจอยู่มิดเมื่อแปดทิดแปด้านอยู่เท่านั้นเองมันถึงไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นของมีอยู่ทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้ง นากสวรรค์นี่พ่านทางกิเลสทั้งธรรมมีอยู่ในหัวใจดวงนี้หัวใจตรงนี้จะเป็นผู้รู้เห็นมันก็รู้เห็นไม่ได้เพราะถูกปิดบงังมันถึงเหตุถึงผลสิมันต้องรู้ทำไมจะไม่รู้บืกนี่เราพูดถึง เ, งเรื่องเรื่องสิ่งที่ที่เป็นที่รู้มาปิดไม่อยู่คือหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเนี่ยเอาปฏาิบัติลงไปสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็น สิงที่ว่าแม่เราท่านว่าอาสจรรย์อาจารย์อาสจรรย์ยังไงพระเจ้าอาสจรรย์ท่านสิ่งกิเลสท่านสิ่งยังไงมันมาเห็นในหัวใจเจ้าของสิ่งกิเลสเป็นยังไงมันก็สงสัยหายสงสัยเท่านั้นสิมันจะเอาอะไรมาสงสัยกลบบ้าพระเจ้าอย่างราบเลยนะั่เมื่อถึงเข้าเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วนั่นล่ะผู้ปฏิบัติท่านว่าตุมเพยจัดปีจังอาตะังอาตะปังนะคือเจ้าของต้องทําเองต้องรู้เองเห็นเองฟัดเบี่ยงกันเองกับกิเลสไม่มีใครจะมาฟัดมาเบี่ยงมาต่อสู้ให้ ให้เราเราเองเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นผู้หลบดีปีกมาดปีกของกิเลสประเภทต่างๆเราจะรู้เองเหล่านี้เราเราจะหาคัมภีร์ที่ไหนออาม า, มาแจงซะทุกแง่ทุกมุมในระหว่างที่ต่อสู้กับกิเลสนั่นคัมภีร์ที่ไหนจะไปจดจําทันว่ะแต่ความจริงนั้นทันกันทั้งนั้นนะความจริงที่ฟัดกันอยู่นั้นทันกันหมดทุกอย่างไม่ทันกิเลสไม่พังนั่นเห็นไหมนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้นจึงว่าพิสดารเอามากมายที่สุดเลย ในหัวใจดวงนี้แหะเจ้าว่าใจนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะพิสดารเอามากจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเวลาได้เปิดตัวออกแล้วตาก็เพียงแค่ได้เห็นมีอะไรรับตาใช่ไหมก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันห่างไกลสักหน่อยมันก็หายไปเสียจมูกดิ้นกายก็เหมือนกันถ้าอยู่ติดๆพันๆกันมันก็พอรู้เรื่องบ้างถ้าตาหูจมูกดิ้นกายเครื่องรับอย่มันดีนะถ้าไม่ดีก็เอาอีกแล้วนี่ยแต่ใจไม่เป็นเช่นนั้น ใช้นิเปิลก็หมดที่ไม่มีการสถานที่เวลาเวลาว่าอันไหนอยู่ไกลขนาดไหนลึกขนาดไหนไม่มีถ้าลงใจได้เบิกให้เต็มที่ของตนเองแล้วไม่มีการสถานที่ว่าใกล้ว่าไกลว่าอยู่ที่ลึกรับที่ตรงไหนใจจะไม่เห็นใจจะไม่รู้รู้หมดทีเดียวพุ่งลงไปทะลุไปหมดนี่จึงว่าใจาเป็นของอัจฉรย์อย่างนั้นนะปฏิบัติถ้ามันเห็นที่ธรรมะบริเจ้าหลอกโลกเมื่อไหร่มีแตะกี้เลียดเท่านั้นมันหลอกโลกนะธรรมะไม่ได้หลอกหรอกแต่เราปฏิบัติแต่เครื่อง ตามเครื่องหลอกเครื่องหลอกกังสิมันจึงไม่รู้ไม่เห็นนี่นี่ว่าไงปฏิบัติสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรปฏิบัติทาเครื่องมือของครูบาอาจารย์และบุริชาติที่ประธานวันนี้มีแต่ปฏิบัทาที่จะบุกเบิกกิเลสฟัดกิเลสถ้มันแหลกไปให้เห็นความจริงล้นล้วนเต็มหัวใจเราทั้งนั้นแหละแต่นี้มันมันไม่เป็นอย่างนั้นสิพอที่จะทําอะไรนี่ถูกกิเลสมันขัดมันแยง้งมาเส่นเลยสุดท้ายเราก็มอบสุดท้ายก็มอบนั้นจึงไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไร ลรได้ทําให้มันถึงได้เรื่องแล้วยังไงมันก็รอไม่ได้แล้วขั้นจิตทํางานขั้นสติปัญญาทํางานขั้นพูดง่ายๆว่าขั้นทําทํางานกิเลสจะไม่หมอบได้ยังไงเมื่อถึงขั้นทำทั้งหลายมีกําลังแล้วก็เช่นเดียวกับกิเลสมันมีกําลังเราจะทําอะไรมันมันปัดแป๊บเดียวแป๊บเดียวปรับเดียวเท่านั้นล้มละลายล้มละลา ย, ลลลายเหลวไปหมดเลยนี่เวลามันมีกําลังมันเปลยนเช่นนั้นทีนี้เวลาทำมีกำลังก็เหมือนกันอีกกรงกันเต็งเลยเทียว อา้าวกิเล่มันมันแยกมาหมัดไหนถ้าพูดถึงหมัดแยกมาตีปัดหมัดแล้วต่อยพร้อมต่อยพร้อมต่อยพร้อมพังพร้อมพังพร้อมเลยนั่นสติปัญญาไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาในระหว่างที่ต่อสู้กันถึงขั้นสติปัญญามีกําลังมีอย่างนั้นรวดเร็วรวดเร็วอย่างนั้นจริงจริงเรื่องกิเลสนี่เอามาตรงไหนเมื่อถึงขั้นอาถารอยากจะพบกับกิเลสเพราะจะให้มันสิ้นรทราบไปเฉียเวเด็ยวนี้ ให้ได้หลุดพ้นจากทุกโดยท่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงคําว่ากลัวจึงไม่มีในขั้นที่กลัวแล้วไม่มีมีแต่ขั้นค้นขั้นขั้นค้นคว้าหามันอยู่ที่ไหนขุดลงไปค้นลงไปจนกระทั่งเจอเจอภาพหมุนติ้วที่เสร็จเลยนั่นถ้าอันเรานเหล่านี้ให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของสิถ้าลงได้เห็นในหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรสงสัยแหละอืมการพูดออกมา น, นี่มันจะพูดได้เป็นบางอย่างส่วนพูดไม่ได้นั้นนะมันสําคัญมากที่สุดมีมากมายกายกองที่พูดไม่ได้ ทั้งๆทีท่ตัวนั่นเองน่ะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันขนาดไหนเรื่องใดวิธีการใดเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจหมุนที่หุนที่วุ่น ม, มีอะไรที่จะเสมอความรวดเร็วแต่เราก็ที่จะนํามาพูดนี้จะพูดได้เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้พูดมากได้มากยิ่งกว่านั้นไปแน่นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเอาคัมภีร์ไหนจะไปจดจารึกถึงประเภทนั้นได้บะถ้าแต่ความจริงของใจนี้ใจได้รู้ได้เห็นรู้หมดเนี่ย ทางทนที่คำพีร์จดออกมาไม่ได้ก็ตามแต่ใจนี้สามารถรู้ได้หมดทะลุไปหมดนี่มาสิพีจารณาสินานั้นถึงว่า อ, อย่างพรอแม่ครูอาจารย์มั่นท่านว่าธรรมที่ม า, มาใน อ, อคมภีรใบลานนั้นน่ะเท่ากับน้ําในตุ่มนะหายเท่านั้นสาธุทันที่เรายอ ม, อมเพียงตัวเท่าหนูนี่มันก็มันกล้าหารที่จะพูดได้จริงๆแต่ธรรมที่มาจากภาคปฏิบัตินั้นเท่ากับน้ําท้องฟ้ามหาสมุทร สุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนั่นตั้งสิ่ก็มันเจอกันอยู่ตลอดเวลานี่มันมีการสถานที่เวลาเวลากว้างแคบที่ไหนอีกเมื่อเวลา ไ, ได้เบิกตัวออกไปแล้วมันกว้างอะไรก็พูดไม่ถูกมันลึกอะไรก็พูดไม่ถูกไม่มีอะไรจะมาประมาณได้มหาสมุทรยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฟ้าฝั่งโน้นไม่มองเห็นฝั่งเราเหยียบอยู่นี่ยืนอยู่นี่มันยังเห็นว่างไงอันเรื่องของสติปัญญานี้เอาอะไรมาเทียบ อ, อะไรมาเทียงเรื่องความลึกความตื้นความกว้างแคบหนาะบางขนาดไหนไม่มีอะไรที่จะเทียบ มันปัญญารมนี้ได้เลยในจิตดวงนี้ได้เลยนี่มันกว้างขนาดนั้นถ้ามันเห็นประจกษ์เจ้าของแล้วสิใครไม่เชื่อก็าตามเธอมันไม่มีได้ขาดทุนศูนดอกไปไหนละ่ะขอเจ้าของเลยส่งไว้กับพอเมื่อมันสอนใครไม่ได้สอนใครไ ม, ไม่ไม่มีใครฟังแล้วอยไม่สอนมันหนักอะไรกันผู้สอนจะสอนแผู้ที่ควรจะสอ น, ผ, สอนผู้ที่ควรจะบึกบึนประจันนั้นผู้ไม่สมควรที่จะนั้นก็ปล่อยเหมือนอย่างอัน โรงพยาบาลนั้นตีหมอไม่ใช่ที่จะสามารถรักษาคนไข้ได้ทุกประเภทนะประเภทไอซมันมีจะทํำยังไงมันเป็นอยู่กับใครมันเป็นอยู่กับไอซียูต่างหากนี่หมอก็ก็เห็นว่าเป็นไอซแล้วจะว่างไงก็ต้องหยุดชะงักแต่มารยาทก็ต้องมีเป็นธ ร, รมนานักษาปฏิบัติกันไปจนทั่งถึงเวล า, าสุดท้ายนี่นี่ทาก็เหมือนกันเมื่อสุดวิสัยที่จะปฏิบัติต่อกันนะจะทํำยังไงสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่มันไม่เชื่อจะให้ทําไงอีกจะให้มันเชื่อได้ยังไงเมื่อ มันยังไม่ถึงการถึงเวลาที่ควรจะเชื่อได้มันไม่เชื่อได้แหละคนเราไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันพอถึงขั้นที่ควนเชื่อแล้วยังไงหัขงวาขาดมันก็ไม่ถอยอืมอะไรอะไรขาดประกาศไ ป, ไปความเชื่อนี้ไม่ขาดฝังเลยทีเดียวนะ่นี่แหละการปฏิบัติอ๋อฮะมันจริงมันจั ง, จงที่นะัปฏิบัติต้องมันเห็นในตัวเองนี่ถ้าลงได้เห็นในนี้นะมันหายสงสัยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเบื้องต้นนี่ที่ มันตะเกียกบตะกายแบบลเมียดแต่เรื่องของกิเลสมันยำเอายำเอายำเอาไปที่ไหนเห็นแต่เขียงเองกิเลส ย, ยำหัวใจพระอืมไม่ทราบวจะลาบจะก้อยจะอะไรต่อะไรทุกอย่างมันก็เลยขี้เกียจ ก, กินขี้เกียจขี้ไายกินได้กินหนึ่งแต่หัวใจพระหัวใจพระหัวใจพระอืความขี้เกียจกับกิเลสคือโนเสียเนี่ยความขยันมันเปลี่ยนกับกิเลสคื อ, คอนโนเสียเอาเป็นราบของกิเลสเสียจะว่างไงเอออะไรอก็เป็นรากของกิเลสเสียขึ้นชื่อว่าจะ มันสิ่งที่จะไปแก้กิเลสให้กิเลสเอาไปจิ้มน้ําพริกเสียจิ้มน้ําพริกเสียทําไงพวกเรามันพวกน้ําพริกให้กิเลสจิ้มตลอดเวลาไหนจิ้มกิเลสบ้างซิเอาเนาะกิเลสมาจิ้มน้ําพริกบ้างซิเป็นยังไงมันอร่อยไหมอจิ้มกิเลสเอากิเลสมาเป็นปุ๋ยของอัดของทำไปยังไงพระนิพพานบกพร่องอะไรบ้างเห็นไหมนั่นเมื่อเต็มที่แล้วไม่มีคําว่าบกพร่องพอตัวตลอดเวลาพอดีพอดีไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไร ยึดย่อนยิ่งกว่านั้นทั้งนี้กว่าเมืองพอพอซะทุกอย่างจึงได้ปล่อยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่น่ะพอแล้วจึงได้ปล่อยหมดไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับคําว่าพอจึงได้ปล่อยหมดอะไรยังบกพองเอาอะไรมาเพิ่มนั่นไม่พออันนั้นไม่ประเสริฐนั่น Öyle? มันยังมาเพิ่มนั้นพอนี่คือความประเสริฐพอไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าคําว่าพอยึดดวงถึงขั้นเมืองพอแล้วเป็นอย่างนั้นพอเหนือแล้ว ฮึ่ม <laughs>